ทำงา ท, ำทุกวันทาในใจทุกวันร่างกายก็ทําทุกวันสร้างความเห็นผูกให้เกิดทุกโอกาสเียว่าตาพืชธธ ร, รมปฏิบัติธรรมถ้าจะพูดใหญ่ๆก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานคือในชีวิต ใช่ถูกต้องู้ใดเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องนักผุณิพานจะไม่ว่างจากคนพวนนั้นเมื่อพวกเราปากันไปัฏิโยตามหลักสติปัฏฐานเรียกว่ามักผุนิพานก็ไม่ว่างจากโลกนี้ไปอันนี้เป็นหลักของวิทยาศาสตร์ ในด้านธรรมะในด้านชีวิตของเราแม้มีความผิดมันก็มีความถูกบางทีความผิดก็ไม่เกิดความถูกต้องไม่เสียหายไม่เหมือนกับวัตถุสิ่งของเมื่อมีความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ไม่ว่าวิทยาศาสตร์ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการ เป็นริงที่น้อมมาใส่เราน้อมเราเข้าไปเอินคนอื่นมาดูเป็นของอศงัศจรรย์ชีวิตเราเนี่ยอย่าให้พลาดซะเปินแต่ดึกสึกเตือนนมอย่าได้ประมาทถ้าประมาทมันก็ผิดพลาดเสียเวลาเสียชาติเราจึงเอาให้สุดความสามัคของเรา ตามไรก็ตามต้องทำให้จริงที่ว่าศรัทธาไม่ทอท้แล้วก็มีความเพียรแล้วมีจิตใจใสอยู่เสมอใหสติจาสัญญาหัดตัวเองฝึกตัวเองพระพุทธเจ้าก็บอกว่ า, วานู่นโกรธว้โน้นเหลือนว่างไปสู่ที่นั่น ไม่ได้บอกเราไปเที่ยวเตยได้ต้อนที่ใดสถานที่สงบเป็นการตอบปัญหาคิตของเราได้เรียกว่าปริวิเวกกายวิเวกจังัดกายไว้ก่อนให้คุกคลีกันลีกเด้นแล้วก็เมื่อกายวเวกแล้วคิดก็อา จ, จะวิเวกได้ง่ายก็วิเวกทางกายมันก็เป็นที่อยู่ที่ ไม่ผิดในความถูกต้องของกายจิจัยก็จะมีการวิเวกเกิดขึ้นจิงเวล่องช่วยเหลือเมื่อใจมีวิเวกเกิดขึ้นสงบจากตัญาต่างๆอุปธิวิเวกก็เกิดขึ้นได้พ้นจากกันนั่นพ้นจากกันนี้เห็นความหลงเกิ่นหลงเป็นรู้ มันชวนให้เปลี่ยนเวลาเราเดินอยู่เราก็มีจิตกรรมที่เราเดินอยู่เป็นหลักสูตรอยู่ลูกกับการเดินลูกกับการเคลื่อนไหวมืออะไรที่มันเกิดขึ้นจากการไม่รู้จากที่เรากำหนดเรามีที่ตั้งแั้นก็กลับมาได้ไม่หวดตัว เห็นความหลงเกิดจากกายนี้ตัวในตนเกิดจากกายแต่ตัวเป็นตนเป็นสุกเป็นทุกข์เรื่องต่างๆมาให้กลายเป็นสุกขมาให้กายเป็นทุกข์เป็นวัตถุอาการเป็นความร้อนเป็นความปวดความเหน็ดเหนื่อยเมืเ่อไรความหนาวความหิวเป็นวัตถุอาการที่มันเกิดขึ้นกับตายแล้วก็มีสติเห็น ไม่อาการต่างๆก็เป็นความไม่เที่ยงมันกบเกลื่อนไม่ความไม่เที่ย ง, อ, มมยงอยู่กับอาการอาการก็เป็นที่เกิดแต่ความไม่เที่ยงตอนเล่นอยู่ก็เห็นมันกบเกลืนแล้วมันปิดแล้วมันพ่วงไว้แล้วก็หงายไว้เปิดไว้เวาของเท็ความจริงเป็นยังไงแล้วก็เห็นแช้งเข้าไปเรื่อยๆ ในความไม่เที่ยงในวัตถุอาการต่างๆไม่ใช่มันไม่มีประโยชน์มันมีประโยชน์มากบางทีจะได้มรกได้ผลจากวัตถุจากอาการจากความไม่เที่ยงจากความเป็นทุกข์จากการมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั่นแหละอาจจะเป็นมรดกนหนี้ผ่านตรงนั้นได้จำนี้จำนานในวัตถุอาการต่าง ๆ, ๆที่เกิดกับกาย เห็นแล้วเห็นอีกนี่ประโยชน์้าเห็นบ่อยๆมันก็ชำนาญในการเห็นกำหนดรู้ในการรู้กำหนดด้วยการละกำหนดด้วยการทำให้หมดไปมันหมดไปได้ก็หลงเากิดกายตัวไม่เที่ยงเกิดอะไรก็ตามมันมันหมดไปได้จริงใดที่มันหมดไป ไม่ทำให้เป็นภาระแล้วก็ตอบเองลูกเองเห็นได้คำตอบไม่ความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นมันจะมีสิ่งบ่งบอกก็ผิดว่าถูกยังไงแต่คำตอบของผู้ปฏิบัติความหลงเป็นความรู้ไปเสียแล้วควา ม, ม่เที่ยงเป็นความรู้ไปเสียแล้วความทุกข์เป็นความรู้ไปเสียแล้ว ความไม่ใช่ตัวตนลายเป็นวามลูกไปเสียแล้วมันลงตัวแล้วถ้าได้รู้แล้วถูกต้องแล้วจัำผัดตัก็รู้ความหลงไม่จริงจังอะไรความลูกเป็นของจริงกว่าปามาัมจุบัจัดจะความหลงเป็นสมมุติความทุกข์ก็ไม่เพียงความไม่ทุกข์นี่เป็นของที่จริงกว่าเป็น จ, จัทจ่าจดูแล้ว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 เรานี่เป็นทุกเรานี่ไม่มีอะไรเป็นของกิรังยั่งยืนหวั่นไหวหลุร้อยอยู่เรื่อยด้วยใจลอยเมื่อเป็นนามาค ก, ก็กลายเป็นโรคประสาทได้ไม่มีหลักไม่มีฐานเหมือนเรามีบ้านมีเดือนไม่มีหลักฐานทางที่พึ่งอาศัยทื่ทําอยู่ทํากินนี่ก็เลื่อนลอย ในทางรูปประธรรมในทางนามธรรมก็ลิ่งเลื่อนลอยไปกว่านั้นเพราะน้ำเหลวนัมนมีแต่ความหวังหมนคนก็หายน้ำคือต่อนั้งห่วหน้าไบเรื่อยเพราะไม่เคยมีน้ำจะมีอะไรที่จะให้เราเป็นวัตถุสิ่งของพอไปถึง เราจะดื่มน้ำกลายเป็นน้ำเชมดื่มไม่ได้ก็คิดต่อไปอีกมีอนาคตเป็นที่เพิ่งปัจจุบันลืมไปในชีวิตจิตใจของเรามันก็เลื่อนลอยเหมือนคนไม่มีหลักฐานคิดนึ่งอะไรอย่างอื่นวัตถุอย่างอื่นไปความสุขก็อาศัยวัตถุให้เกิดความสุขความทุกข์ก็เป็นวัตถุทำให้เกิดความทุกข์ ความหลงก็เป็นวัตถุทำใเกิดหลงหาแต่สิ่งมาตกห า, าวัตถุมาแย่จริงจริงมันไม่อยู่สติปัฏฐานเนี่ยเราหลงไปกลับมาลูเอาตรงนี้ไว้ก่อนเอาวันสุขวัตทุกข์ลูเข้าไปให้ลูแจ้งสอดแชเ่เข้าไปซึรมซับเข้าไปหัดตัวอย่างอย่างเนี้ยในความไปเที่ยง ในความเป็นทุกข์ที่อยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยถ้าเราสัมผัส ด, ดูดีๆมันน่าจะมีประโยชน์ในความเป็นทุกข์ถ้าสัมผัส ด, ดูดีๆมันจะหัวเราะในความเป็นทุกข์ได้อนความทุกข์นั่นอ่ะมันจะเป็นรสชาติของสัจจะอันหนึ่งจนได้พูดออกมาว่าพุทธโธพุทธโธปาตโธ พระพุเจ้าลราตัดอกอกจากโทษเรพัดโทพัดโทตื่นทุกข์ตื่นทุกข์ียกว่ามันตัวเราไม่ค่อยจะเห็นกันมเกิดกับกายกับใจเป็นทุกข์เป็นโุกพัดโทพัดโทอันไม่ทุกข์ไม่โุกมันไม่อยู่พัดโทพัดโทขอยันตรงนี้ ข, ข, ข่ายวยตรงนี้ในความทุกข์จะเป็นการ หัวเลาะเป็นความลึกซึ้งหนังเห็นทุกเห็นอริสัจเห็นของจริงเห็นอันประเสริฐดังนี้แท้ๆความทุกแท้ๆความไม่เที่ยงแท้ๆความไม่ใช่ตัวตนแท้ๆมานเป็นมรรคผลให้พ่านจนเรียกว่าพุทโธตื่นแล้วตื่นแล้วไม่หลับจุกับความหลงไม่หลับจุกความทุกไม่หลับจุความไม่เที่ยงไม่ได้หลับจุกความไม่ใช่ตั ว, นนนนว ต, ตนแต่ก่อนเช่นวันนี้ ไอคิดชีวิตของเรานีสติปัฏฐานมันเป็นเกรดถ้าเป็นการเรียนลังเสือก็เกรดดีดูแลดูอะไรก็คล่องตัวดีแต่เกรดแบบการเรียนมันเป็นสมองแต่เกรดของกรรมฐานมันเป็นสติปัญญาไม่ใช่ไปคิดพบเห็นพบเห็นความมาเชื่องอย่างจริงจังจะเอกัน เรานั่งสร้างจังหวะรู้สึกตัวอยู่ดีดๆไม่เที่ยมเกิดปุ๊บขึ้นมาวามลูกก็อยู่นั้นแล้วจะเอกันเลยเพราะว่ามันยิ่งใหญ่เรียกว่าสติอินทรีย์แต่ก่อนสติอินทรีย์ไม่ใหญ่เด็กๆ เ, เหมือนแม่แรงกับม่แรงเหมือนหูกับหมูไมาจีนกันได้ ถ้างูตัวใหญ่เราก็จินงูตัวเล็กได้สติเนี่ยมันใหญ่เราทใบ่อยๆรู้บ่อยมันใหญ่ขึ้นเพราะการกระทำความเพียรมันหลงที่ไรู้ตรงนั้นโตขึ้นตรงนั้นแล้วมันทุกข์ที่ได้รู้ตรงนั้นโตตรงนั้นแล้วมันโกรธที่ได้รู้ตรงนั้นโตตรงนั้นแล้ว ความโตของเจริญของสติปัญญาไม่ใช่จเจริญแบบสุขสุขทุกๆุในความสุข ก, ก็รู้นะ่ะไม่มีรสชาติของความสุขความทุกข์มันไม่มีรสชาติของความไม่เพียงความโกรธความหลงแต่ก่อนมีรสชาติถ้าสุข ก, ก็หัวเลาะถ้าทุกข์ก็ร้องไห้พว่าศึกษาไปปฏิบัติไปควงหลง มันมีความรู้อยู่ที่นั่นความโกรธความทุกข์มีความรู้ตรงนั้นได้ประโยชน์เรียกว่าโตรตรงนี้กันเหมือนเราชินข้าวเพราะเราชินข้าวเชี่ยวอาหารเกินลงไปมันจึงอิ่มเป็นอาหารอย่างดีสมมติว่าแม่ก้อนข้าวลูกถ้าลูกไปรู้จะเกืนข้าวมันก็ไม่โตเอานมใส่ปากลูกไม่เกินนม ลูกก็ไม่โตแม่ถึงจะมีความรักขนาดใดถ้าลูกไม่เกินนมกินข้าวเขาก็ไม่โตได้เขาไม่ช่วยตัวเองผลสุดก็ตายไม่ใช่ความผิดของแม่พระพุทธเจ้าก็บอกเราอยู่ว่าอย่าประมาทความหลงเป็นความประมาทความลูกเป็นความไม่ประมาท ถ้างหลายจงยังเพื่อไม่ลาดให้ถึงพร้อมเถิดแล้วก็เอาความหลงหละเป็นความรู้เกินลงไปรูล้ลงไปขณะที่มันหลงรูล้ลงไปขณะที่มันุกรูล้ลงไปขณะที่มันโกรธเหมันโตตรงนี้เหมือนนกอินทรีมันก็โตตรงที่มันจับบ่ยบอยๆกินอาหารบ่ยบอยๆ่ตไปสะติจะเป็นอินทรี นิวรณ์เราจะเป็นบ้านแรงไปเลยใหม่ๆนิวรณ์เราทำยิ่งใหญ่ของขั้นได้เวลานิวรณ์เราทำพ่อเงามอ่อนหมดเลยเวลามัน ง, ง่วงมือก็ยกไปขึ้นเก้าก็ก้าวไม่ไปตาก็หลืดไปขึ้นอ่อนไปหมดเลยนั่งก็หลงโขดลหลงงอกระงบงอกแง ก, กหมดไปเลยเหมือนกับ ขวังขั้นไปเลยเอ็นเจีลู่หลงไปเลยให้ลู่ลู่ไม่ออกมันจะหลับอย่างเดียวดือ้อนี่วัฒธรรมเหมือนลูกดือ้อนักเรียนดือ้อคนดือ้อคนดื้อเนี่ยยังพอสอนได้แต่คนด้านน่ยหน้าด้านสอนยากชีวิตตอนเรามันไม่ทั้งดือ้อมันมีทั้งด้านบางทีไม่สอนเลยค่อยตาม เลี้ยงลูกด้วยการตามใจเสียใจภายหลังตามใจของตัวเองกันไปเสียใจเพราะการตามใจนั่นหลงก็หลงจะเสียใจเพราะความหลงมันโกรธก็โกรธจะเสียใจเพราะความโกรธมันทุกโกรธจะเสียใจเพราะความทุกข์มันรักมันชังก็ทำตามความรักความชังจะเสียใจเพราะความรักของชังอย่าหมวดตัวตรงนั้นให้มันเจริญตรงนั้นหลงเพื่อลูกทุกเพื่อลูกโกรธเพื่อลูก สุขทุกเพื่อจะรู้นี่คือสติปัฏฐานหัดตรงนี้ให้เป็นหัดตรงนี้ให้ได้ทําให้ได้ตาบางง่วงเหงาหอหนอนเกินไาก็อย่าไปอ่อนตัว น, นั้นเข้มแข็งตัว น, นั้นตรงไหนที่มันอ่อนแอเข้มแข็งเอาไว้การสร้างบ้านสร้างเรือนฐานไม่ดีมันก็ลงตัว น, นั่นเรื่อยๆางานเสา ขาดไม่ดีอ่อนต้องไหลน้ำก็ไหลลงตรงนั้นเมื่อน้ำไหลลงตรงนั้นก็ซุดลงไปเรื่อยๆทำให้มันเชื่อมแข็งให้มีใครรู้ต้องจากตัวเรามี เ, าเยอะแยะทางออกอยากไม่บวนะธรรมอย่าจนเวลามันมง่วงก็อย่าไปจิตใจคแคบถ้าจะเป็นแสงตาก็มองยอดไม้ไกลๆน้น มองไปข้างนอกอย่ามากกบอยู่เวลานั่งทําความเพียรก็มองสายตาให้ใต้ฉากกับการนั่งเงยเกินไปก็ฟุ้งซ่านก้มเกินไปก็ง่วงง่ายให้ได้ฉากความสูงกับการนั่งกับการมองไปข้างหน้าให้เท่ากับความสูงของการนั่งมันจะไม่ฉากสายตาจะอยู่ได้นานก็ ไงยเกินไปก็จิตใจฟุ้งซ่านแม้ต่เดินจับกองก็จะค้มกันไปยังเงยเกินไ ป, ใ ห, นไปให้ความสูงของกอนเดินมองไปกับปลายเท้าไอ้มีความยาวเท่ากันความสูงมันจะได้ฉากโดปลีก้วยค่ะบ้ามา ง, ง่วงเลือนตามาขึ้นมองไปหายอดไม้ต้นยางตะเคียนทองฮอกกนใน ถ้ายอมดูให้ติดตา น, อตอ น, น, น, นี่คือต้นนั่นนี่คือออกไปสักหน่อยแล้วค่อยกลับ่าตามในใจนอกจากนั้นก็อาจมีการเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวมือแรงๆสักหน่อยอย่าไปทําอ่อนเดา ย, ยกปกแปลกๆให้มันชัดเจนเข้าไปยกมือขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็จะหางหายไปกว่าม่วง มันก็จะเป็นการสดชื่นอยู่ในขณะที่มันอ่อนแดดแข็งแรงอยู่ในความอ่อนแดในเป็นความทุกข์มันจะความไม่ทุกข์ในความหลงจะไม่ความไม่หลงในความโกรธจะเป็นความไม่โกรธใจใจสักหน่อยในพระสูตรก็ตัดสอนแบบนั้นสอนความพอใจและความไม่พอใจในรู้ออกมามีสติมีัมสัญยะมันก็ง่าย บางทีเรามาจนเรื่องนี้กันไปรวยอันอื่นเรายื่นมาก็เอาหมดเราต้องจงหวนล้วกงวนจงหวนตัวเอาไว้เวลาปฏิบัติอดทนนะครับอดทนก็อดทนทั้งขาเวเพียนก็เพียนทั้งขาวมีสติก็ใช้ลงไปแล้วก็มีส่วนประกอบกามีศีนก็มีศีน แต่คิดอะไรที่เป็นทุศีนเอาไว้จิตใจต่างพ้อไม่ศีนด้วยศีนคือก้อนหินศิลาคือก้อนหินตักแน่นเอาไว้จะหลุดไปง่ายไม่หลักไม่ฐานอยู่รู้จึกตัวเนี่ยเอาไว้ตั้งนา น, านเอาไว้ด่าตามความเพียรเพราะความทุกข์อย่าทํำความเพียรยเพราะความอยากทําซื่อๆรู้ซื่อๆ จะประเมินตัวเองไม่ความรู้นี่เป็นสิ่งบุกเบิกไปรู้ไว้ก่อนจะถูกกระผิดรู้ไว้ก่อนมีฐานอยู่ในรู้ไว้ก่อนจะประเมินว่าทำมาทำมาทำไมำไม่ไมมจังหลงไม่ค่อยได้อะไรเลยอะไรถูกอะไรผิดหาคบตอจากความคิดไม่ใช่นักกรรมฐาน นักกรรมฐานจะไม่คยหาคำตอบจากความคิดให้การทำพาไปลิกิตไปทำอย่างนี้บรรล้อย่างนี้นตัวนี้จะพาไปจะกรรมจำแนกไปจะเห็นช่องเห็นทางไปเราก็สอนตัว่องอย่างนี้ฝึกหัดตัวองอย่างนี้เป็นภาคสนามจริงๆการ์รตือ์เรือลน มันหลงแหละเป็นเรื่องกระตือเรือล้นความง่วงก็เป็นกระตือเรือล้นใจใจนีสติอยู่แล้วต่อรองได้เลยคิดใล่เวลาง่วงรู้สึกตัวอย่าทิ้งทำธรรมะคือความรู้สึกตัวนะบัณฑิตผู้ประพฤติผู้ฝึกขนตนอยูแล้วเวลาประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งทำ เว้าประสบ ก, กับความหลงไม่ทิ้งทำเวลาประสกกบความโกรธก็ไม่ทิ้งทำบายความโกรธเป็นความโกรธย่อยความหลงกับความหลงยายความทุกข์เป็นความทุกข์จอให้อะไรเป็นไรเป็นตามเรื่องของมันกิเลสปัญหาตน่าลอยแปดให้มีสติเข้าไปสอดแชกสอดลู่สอดเถินเหมือนผู้ค่มงานโฟแมน เรือสาปัดตูจดอ่อนถ้าคนงานทำงานไม่เป็นดูจดอ่อนถ้าเราดูผ่านตาเราเห็นกับตาอันก็มั่นใจถ้าทำอะไรไม่ดูไม่เห็นกบเกินได้ช่อนเล่นได้อันตัวเราเนี่ยมันปิดบังได้ให้เห็นนั่นมันหลงนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ควรรู้ให้มากมันทุกข์นั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้มากมันโกรธนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรรู้ให้มากยิ่งใหญ่ที่สุดคือความหลงตัวผูมันเหมือนมือสามนิว้วความหลงอยู่กลางๆนะั่นถ้าหลงก็ทุกข์ได้ถ้าหลงก็โกรธได้ถ้าไม่หลงมันก็ไม่มีอะไรตัวหลงเป็นเหตุ เราศึกษาเบื้องต้นจะเจอกับเรื่องหลงพัดเียนเลยไม่หลบลี้เรารู้กายว่าจะหลงที่กายก็หลงเกิดจากกายมีเยอะแยะเป็นสุขเป็นทุกข์ได้สุขทุกข์ก็มีต่อไปอีกต่อยอดไปอีกสุขทุกข์ที่เกิดจากกายก็ไปอีกต่อให้หลงไปด้วยไปในสุขในทุกข์เยอะกาย สุขทุกข์กันเวทนาโตไปอยู่แล้วเกิดจุบันกายเป็นสุขเป็นทุกข์พอเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เข้าถึงจิจแล้วกัข้ออุําคิดแล้วเหมือนมะเหลงลายอย่างหลงต่เนี่ยเป็นมะเร็งนะ้าเหลืองมะเหลงในตอมน้ำเหลืองก็อยู่กับเลือด ก, กับเนื้ออยู่แล้วอยู่กับเส้นกับเป็นอยู่แล้ว มักไมีทางที่มันเดินไปน้ำเหลืองเมื่อมีต่อมน้ำเหลืองเกิดขึ้นน้ำเหลืองเสียแล้วมาสู่ไฟลอยไยลอยก็มีเนื้อก็เลยคอบวมขึ้นเป็นกน้อนเนื้อออกจากคอมันก็ไหลไปตามตับไปสู่ตับอ่อนก่อนเมื่อตับอ่อนเองลุบหลามไปเมื่อตอบมัน เกิดก้อนเนื้อไม่ปกติก็ปวดท้องอย่างหนักก้อนเนื้ออยู่ในไทลอยมันก็โตขึ้นเพราะมันเชื่อมัาเลยก็เป็นก้อนเนื้อโตเร็วขึ้นมาตัหนหลอดลงหายใจไม่ออกตายไปนั่นไมยากอะไรความตายปับป๊บปั๊แบบียวกตายไปเลยโลรคไรมันเกิดคือโรคอันนั้นเป็นโรคหางวัตถุหมอช่วยได้ แต่โลกแห่งความหลงนะ่ะไม่มีใครช่วยเราต้องจักช่วยตัวเองโอสดก็คือลู้สักวเนียธรรมรัตนังพุทธรัตนังสังฆรัตนังเป็นธรรมะไปลาหลงลู่เข้าไปช่วยตัวเองให้เข้าไปถ้ามาลู้ตรงที่มันหลงก่ยไปช่วยธนาไปแล้วไปไกลแล้ว ไปสู่จิตก็ไปไกลแล้วไปสู่ธรรมเองก็ยิ่งครอบไปหมดเลยครอบความเหมนาจมากตายเป็นอารมณ์ไปเลยนึกว่าอารมณ์เป็นตัวเราไปเอาอารมณ์มาเป็นจิตใจวามโกรธเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจวามทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจกวามหลงเป็นอารมณ์ไม่ใช่ใจิตใจเราก็ถือว่าเ่าซะ เป็นพวกเป็นชาติอยู่ในอารมณ์ฝายมากมายโกรธก็ว่าใจตัวเองทุกข์ก็ว่าใจตัวเองรักก็เรียกว่าใจตัวเองเหยียดชังก็เรีกว่าจิตใจตัวเองมันไม่ใช่เลยก็ลองมาแยกตั้งแต่ต้นเห็นกายเชาวะกายเวทนาจักเวทนาจิตสักว่าจิตธรรมสภาวะธรรมมันก็ยังปกติไม่คล้องงมกัน กายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาจิตก็สักว่าจิตทมก็สักว่าทำมีเทสติก็ไปเห็นให้เป็นระเบียบให้กายเป็นระเบียบไม่ใช่เวทนามาครอบงาไปจุกเป็นทุกเวทนาก็ไม่มีอำนาจอะไรอาศัยเขาแล้วก็มีอะไรที่มันต่อไปมีสมมติมีบัญญัติมีวัตถุอาการ วัตถุก็คือตาเนี่กับรูปเป็นวัตถุเมื่อตากับรูปสัมผัสเขาก็เป็นอาการมันไม่อยู่ที่นี่นะมันไปไกลแล้วเป็นอาการไปแล้วมีไหมตาเห็นเราเหยียดเลยมีไหมตาเห็นเราลักเลยมีไหมมีเหมือนกันนะพอตาเห็นแป๊บเดียวก่อนเราจะความรักกันเลยง่ายๆเกิดอะไรความรัก บางทีมลักโจร้ลายด้วยในพระสูตรมีเยอะแยะลูกสาวเศรษฐีอยู่ในปราสาทชัดเกียรติโนดนเง็นเขาจะฆ่าโจรพลอยเอาแห่อเอาเมืองด้วยก่อนลูกสาวเศรษฐีก็แอบดูทางหน้าตา่างเคยได้เรียนไหมพระสูตรเนี้ยเกิดลักโจร สวยดีขาวสูงหน้าตาดีเป็นลักจนทีตันนี้ตัยก็ขอไทยโจรเอาเป็นสามีของตนเองเล้าไรก็ไทยโจรก็ยังเป็นโจรอยู่ก็ อ, อยู่ด้วยกันเราจะฆ่าเมียตัวเองเพราะมันเป็นโจรอยู่แต่คนที่เป็น ก่อไปเป็นภิกษุณีนะเป็นพาารนะรหัน์นะคนคนนี mm. ้ก็เลยมีปัญญาดนอยนะึงอาจะฆ่าจิงก็ได้อยู่แต่ต้องพาไปเที่ยวชมหน้าผาไปฆ่าบนหน้าผาจับยนลงหน้าผาแต่นางนี่ก็ไม่หลงเพราะยามมีปัญญาแปลงตัวสวยงามถ้าจะฆ่าจึิงก็ให้ฟ้อนลำ ให้สามีนั่งอยู่เนี่ยจะพอนลอมเพื่อจะให้สุดความสามารถในความรักอ้อนหลอมห้ดูหนอยสามีก็ยังคิดจะฆ่าโจจะลำสวยขนาดไหนแต่งตัวดีขนาดไหนมันก็เป็นโจรตัวดีสามีหันหน้าไปทางหน้าผาปัญญาก็พอนหลอไปผักโจรลงไปหน้าผาตายอันนี้ก็พอมีปัญญาหน่อย แล้วนางนี่ก็ไปบวชเป็นพิกชุนีมาเห็นเรื่องความหลักมันหลอกตาเห็นก็หลอกเกิดความหลักขึ้นมาไม่เชื่อความหลอกความหลักมันหลอกเราความกดมันหลอกหลาเข็ดหลามเอามาเป็นบทเลียนฝึกตนเองฝึกตนเองจนได้เป็นพระอาหารหันต์ในพิกษุนีเชื่ออะไรไปหาคนโดู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 เห็นอหิงสกะมาน์เลี้ยนเก่งรุ่นลาวเขาเดียวกันแล้วก็อิดช้าอาหิงสะมาน์ว่าจะเก่งตัวเขาแลล ว, วางหัวกันหลอกให้อาจารย์ไล่อหิงสะมานพหนีอาจารย์ก็ได้ยินหูเบาเกินไปเชื่อลูกศิษย์ส่วนมาก อาจารย์ก็ดูแล้วลูกศิษย์อเหงสะเนี่ยไม่เป็นคนที่จะมีแสดงอะไรออกมาเลยเป็นเด็กดีลูกพรามบ้านใหญ่โตกับบ้านอนาถบินฑิกาเจตีนั่นเท่าเท่ากันอยู่กรงสาวสดีหลงตาก็ไปดูใกล้ๆเ้เชตตะวันมหาวิหารเปลูกศิษย์สับสอก็ไปยุโยงเข้าไปอาจารย์ก็เชื่อ ทางแผนข้าหิ้งสามนกหลอกให้สารรมนกไปตายแต่หิ้งสามนกไม่มีปัญญาจนในสุดหิ้งสารรมนกก็มาบวชพระุเจ้าไปโปรดเอาในสมัยนั้นครูทั้งหกเกิดขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นครูคนที่เก็บยังไม่มีใครเคารพเชื่อถือเท่าไรครูทั้งหกคือใครบ้าง กูทั้งหกใครบ้างอาจารย์ทิศาประโมดเนี่ยคนนังละสนใจรัตบุตรอธิการกมพลภูคุกจากรใจนะอลิโกสารอันนี้ความจำมาแต่ว่าอันตัวหลงเนี่ยไม่ค่อยจำจากใครเคยหลงมาอย่างสุดๆเคยรักมาอย่างสุดๆเคยทุกข์เคยเกลียดมาอย่างสุดๆ เออมันมีวัตถุอาการตาหูจมูกเลี้ยงกายใจรูปรสชินเสียงมันไม่ใช่แค่นี้นะเป็นวัตถุกรรมมงคลเกิดจากรูปเนี่ยเกิดจากนามเนี่ยถ้เราไม่หัดตนาะมันจะเชื่อมันได้ยังงพวกเนี่ยดุร้ายนะเราไปยึดถึงก็เป็นอารมณ์ขึ้นไปถือว่าเราเสร็จแล้ ว, ลว ร, ร็กก็เป็นเราเกียรติคือเป็นเราถูกก็เป็นเรา ความตามความลักความทังความเจ็ความทุกข์เป็นอารมณ์ไม่ใช่ชีวิตจริงๆเสียเปรียบกันแล้วแบบ น, นี้มันรู้แล้วนี่ก็ขาไปตายเลยมีสติเป็นอินทรีย์อันยิ่งใหญ่โกอินทรีย์ภาษาอะไรอารมณ์เป็นมะแลงตัวเล็กๆไม่มีอำนาจอะไรกง่วงเป็นอะไรเป็นอาการ แต่ก่อนเล ว, ว่านี้วอนละทำปัจบันนี้เป็นนาการกลมงอหอนอนคันมเลยสงสยัยจิตใจพร่องสา้านตามมาลาคา่ะปฏิฆะมานาทิฐิท่วมยึดบ้านถือมันในอารมณ์ว่าเป็นตัวเป็นตนนิดน่อยตอนเราไม่รู้ก็ร่วงใหญ่มากพัดเราหัววอดหมอเบี้ยงผมลุกคุกขากินไม่ได้นอนไม่หลับ มันมีจริงจริงไหมมันไม่มีเคยเสียเปรียบมันไหมพวกเราเนสะีแเปรีบความโกรธข้ามวันข้ามคืนมีไหมนอนอยู่กับความโกรธความโกรธนอนอยู่ในชีวิตเรามันดีอะไรฮะร้องเปลี่ยนโดยชีเวลามันโกรธรู้สึกตัวรู้ชีหงัดไปตั้งแต่เนี้ยแล้ว้นก็ไปมีกายมีเวทนามีจิตเป็นรเป็นตัวผัมัน แยกตรงนี <ห BROWN. S 2> ้ขายขนแจแจ้โซ่ตรงนี้โซ่มันแจ้ขญแจไม่ไขมันไปมารอดที่พบสี่ชาติโอนเวียนอยู่นี่อ๋อที่ว่าเวียนว่าตายเกิดเกิดดับเกิดดอกหลายพบปลายชาติเกิดรักเกิดชังเกิดกอดเกิดโลกเกิดหลงเกิดผูกเกิดจบเกิดจุดเด็ดตัณหาลาคะไม่ต้องจบสักที่ไม่มีสลาเลยแค่นี้หรือชีวิตเรา ดีกว่านี้ไม่มีเหลือเกิดบาดเท่านี้เหลือเกิดบาดเจเจ็บตายเหลือเพราะนี่เหลือเวลาแจอก็ทุกเวลาเจ็บก็ทุกเวลาตายก็ทุกเหลือถ้ามาแยกตั้งแต่ตัว น, นี้ไปมันไม่มีความแก่ความเจ็บความตายในชีวิตจริงๆนะมันมีชีวิตจริงๆมาได้ชีวิตพลังนี้จริงๆนะอทำไมจึงพูดงไงเพอเคยเผื่มาเนี่ยแล้ว เคยตายมาแล้วนะเคยตายมาจริงๆเคยเจ็บมาจริงๆจนได้อุ้นใจโ๊ยหมอของพลเดอนอยู่ข้างเตียงให้ห้องก็จะอยู่คนหมอไม่ต้องห่วงหลวงพ่อของพ่อเวลานี้ชีวิตส่วนตัวประสบการณ์กรรมาฐานหมากับหลวงพ่อเถียนสี่สิบกว่าปีมันเป็นวันนี้ไม่ต้องหอง่วงโอ้ได้เลย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 มันหายใจไม่ได้เห็นมันหายใจไม่ได้ไม่ใช่เป็นผู้หายใจไม่ได้มันต่อหน้าเท่านี้เท่านี้ชีวิตส่วนตัวจรงิจรงๆแล้วมันเจ็บแล้วมันปวดก็มีความเจ็บเด่นเด่นมันโวออกมาเห็นมันเด่นเด่นทุกข์แง่ทุกข์ผมไม่ค่อยเป็นทุกข์เพราะความปวดตั้งแต่เราแยกตั้งแต่นี่กายมันแยกไปแล้วเวทนา อยากเออกไปคิดแยกออกไปนั่งก็ไม่เบี่ยะไรที่เป็นธรรมให้เป็นอะไรไปยึงอยากจะพูดให้เป็นสรุปอะไม่เป็นอะไรกับอะไมีได้ไหมเรามันหลงไม่เป็นผู้หลงได้มไหมงยง่ายๆมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธได้ไหมมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ได้ไหมพวกนี้แหละแยกไปเลย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 ขอให้ได้พูดลองนีนบ้างมีเพื่อนมีหมูมีมิดมีสานที่เขา อ, อยากจะพูดลองนีนกันถ้าไปพูดลองนีนก็นลูกจะมีชีวิตอยู่ยางไงสิ่งข้าวเสียข้าวเปล่าชาวบ้านเรื่องข้าวเรื่องปลาอาหารท้างที่อยู่อาศัยให้เราขอดแสดงความถูกความผิดที่มีอยู่กับเราให้เราเห็นไปดูออเองถ่ายให้ ด, ดูแล้ว มันหลงไม่ใช่เรามันหลงคือความหลงสักว่ามันจขมันทุกข์สักวสุขว่าทุกข์เนี่ยแยกออกมานะจะเป็นอินทรีย์อันยิ่งใหญ่จะติอินทรีย์ใหญ่ันไว้ลายถูกตอนสอนตรวาวาจะอยู่ในโลกอย่างงดงามจะงางามถ้าไมาฝึกตรงนี้ก็อ่อนแอะูกทับผมถูกโรคทับผมบุรหลานท่านว่า ไปบางบนเห็นคนขี่ช่างไปบางล่างเห็นช่างขี่คนมีได้นะช้างขี่คนมานจะขนาดไหนคนขี่ช่างขนาดไหนต่างกันอยู่นะบางบนอยู่ที่ไหนหรอบางล่างอยู่ที่ไหนในคิดของเราเนะยจิตใจมันสูงเห็นมันสูงเป็นแล้มันต่ำได้เห็นเราเมันสูงถ้าเป็นเรามันต่ํา ความทุกข์ความสุขทับถมถ้าเห็นเรามันทบไม่ได้มันสูงขึ้นมาเห็นความโกรธขี่คอความโกรธเห็นความทุกข์ขี่คอความทุก ข, ข์การขี่คออันก็้เราเราวิ่งแข่งขันกันเราขี่คอคนที่วิ่งแต่คนที่วิ่งพยายามจะวิ่งเราก็ขี่คอมาอยู่มันเจไปเราก็ขี่คอความเจอะ มันเจ็บก็ขี่คอความเจ็บมันจะตายขี่คอความตอยนี่ขนขี่ช่างจะเป็นช่างขี่เราก็โอ้ยลองห้ยเสียใจเป็นมีค่าอะไร